ได้มากินอันนี้พอเลี้ยมันเลี้ยมมันเคยกินก็สงสารมาไอ้มีเทศบาลเขามาคอยคอยจับจคืนเขามาพวกนี้มันก็พอเสียงรถเทศบาลมามาันดูมันออนมันเอาด้วกันใหญ่เลยแล้วเรื่องก็วิ่งหนีก็ไปในปา่าอันนี้ผมก็กลัวถูกจับนอนไม่หลับพอเขเสียงหมาเหาก็ต้องวิ่งออกมานอกรั้วมาคอยดูว่า มาให้เขามาจับก็ไปไปจับเรียนงูบั้งวงพอหลวงพ่ดเมตานะไอเทศบาลจะมาจับมาผมให้ท่านเมตตาด้วยอยาให้เขาจับก็ได้เออเออแล้วเป็นไงล่ะไม่ถูกับไม่ไม่ถกไม่ถูกจัก็ถูกจับไปดีก็ไปถ่านเสียสามิบ่าทามสิบดาท่ันเออเร็วนะนั่นเริ่อั เอแล้วไวมกปลุกเลยเรากูดเรื่องนี้ท่านเลามาพูดแบบใจหายให้ฟังน่ะมันมัโดนบรนดาอย่างไงท่านว่างทาไมเราจะโง่ขนาดนั้นท่านว่างกันนะหน้าที่สงครามโลกครั้งที่สองท่านท่านอยู่ที่วัดจัตทรุ่มท่านว่าทำไมไปเถื่อตัวนั่งหนาแต่ก็เทวดาช่วยทําช่วยท่านว่างกันนะไม่งั้นเราบินมานี่พังเลแน่ท่านว่างนี่นะเพราะท่านเชื่อท่านแน่เชื่อกระแสกิจที่ท่าน วันนั้นพวกนายทหารเขาออกไปหาท่านเขาไป ข, ขอเงวอนให้เท่นเรืบินรืบินก็มาทิ้งระเบิดที่สถานีโคราชนั่นแหละหมดละแถวนั้นเระอบินมาทุ่งสูงมันคือเงียบๆนุ่นเขามาทึ้งออรางรถไฟมันเหมือนเศษไม้นะเวลาระเบิดมันทําลายนี่นะมันเหมือนเศษไม่จริงๆนะ่งเกลือนทั้งๆ ท, ที่เป็นเหล็กนะ นั่นแหละมันรุนแรงขนาดนั้นแล้วเขาก็ออกไาหาท่านมาขอให้ท่านช่วยแผ่เมตตาแห่งรถโอ้แห่งเรบินมาให้มัดทิ้งระเบิดที่นี่ท่านก็โปร่งใจในในท่านโปร่งในใจโปร่งใจพอตรงคืนมาถ้าเพ่งมันมันจะยังไงเพ่งเราไม่ได้เจตนาจะฆ่าธรนมตามแพ่งมันต้องตกที่ท่านวางั่นนะยังไงก็พังเลยนะ ท่านก็อพอดึกๆแล้วท่านก็ออกไปเดินยองกลมท่มานว่ายังกลมฟังเสียงเดบินวันนั้นเดบินไม่มาเลยพอตื่นเช้ามาสะดุดเกิกขึ้นทันทีโถาทำไมยังต้องไปเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนวันบวมมาเพื่ออะไรว่างั้น่ะมันขึ้นอันนี้แต่ก่อนอันนี้ก็ไม่ขึ้นหรมันเป็นยังไงไว้รู้นาวะ่ะอ่านว่างั้นนะทำไ้เป็นเพชฌฆาตฆ่าคนคือเพ่งเดบินเพ่งนะตกมันก็ต้องตายทั้งคนใช่ไหมละ่ะแต่วันนั้นระบินไม่มา ท่านพูดแบบอะไรแบบตื่นเต้นนะท่านพูดให้ฟังเองนะโเวลามันโ ง, โ ง, โงน่มันโง่ี่เรามนุษย์เรามันคิดแต่จะจะช่วยทางหนึ่งมันไม่คิดทางหนึ่งจะทิพไห้ทางว่างนี่นะพอมารู้แล้วก็ใจหายเลยเราก็ดีสันหวางเ พ, พราะเพราะกระแาจิตท้งของท่านอาจารย์ท่านเนี่สำคัญอยู่มากจริงพลังของจิตเวลาท่านขึ้นระเบิยนไปเนีย่ยท่านพูดเร้่องง ไม่ส่งกีดเข้าไปเครื่องสัญญาณว่างคือส่งก็ส่งธรรมดาเมื่อว่านั่งเดีวบินบินนั้นดูนี่ถ้าส่งก็ส่งธรรมดาผ่านผ่านถ้าส่งจ่องไม่ได้สันญญาณแล้วพังทั้งเางขาทั้งเราแต่ว่างั้นบินพังทั้งเขาทั้งเรา